ฝั่ง ค, ครับแต่พระรๅษีพระคุณพระธรรมปิญญาบดีนายกสภามหาวิทยาลัยและที่บดีส่งบนมาธาตารขอแสดงความนับถือแด่ท่านผู้บริหารครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตและบัณฑิตใหม่ฝ่ายมนุษยชิพ ทุกทุกครขอเจอริญพรท่านผู้บริหารคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตและบัณฑิตใหม่ทุกระดับหัวข้อที่จะได้พูดต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ข้อนประการของพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์แต่เวลาไปประกาศในกำหนดการที่เป็นทางการไปใช้คาว่าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งคำสองคำมีความแตกต่างกันพัฒนามนุษย์เป็นการพัฒนาองค์รวม ส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการเตรียมคนเข้าสู่ภาคแรงงานการศึกษากำหนดเป้าหมายที่สับสนจึงทำให้เกิดปัญหาในการศึกษาในสมัยแรกๆสมัยราชการที่ห การศึกษามุ่งเตรียมคนเข้ารับราชการให้เป็นมหาเล็กให้เป็นข้าราชการต่อมาการศึกษาผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานเราจึงไปกำหนดเป้าหมายของการศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Human Resource มองข้ามการพัฒนาความเป็นมนุษย์เรียนจบแล้วไปทำงานอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่และส่วนใหญ่เราก็คิดกันอย่างนี้การศึกษาสมัยใหม่ไม่ได้มุ่งแค่ให้เป็นเครื่องจักรในโรงงาน ไม่ต้องการให้บัณฑิต ท, ที่จบไปใหม่ๆเนี่ยไปทำงานเป็นเครื่องจักรแต่ขาดมิติของความสุขขาดมิติของคุณธรรมเราต้องการบัณฑิตหรือผู้จบการศึกษาที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป้าหมายในการศึกษา ในปัจจุบันเราจึงมาเน้นที่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ฉะนั้นหัวข้อของการพูดวันนี้จึงเป็นเรื่องคุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ผู้จบการศึกษาระดับบัณฑิตมหาบัณฑิตตรษฎีบัณฑิตชื่อว่าได้รับ การพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การที่เรามาพูดกันเรื่องนี้ในวันนี้ก็เพราะหัวข้อในการจัดงานวิสาขบาูชาโลกปลายเดือนนี้คือ25 26 27พฤษภาคมตั้งหัวข้อหลักว่า Buddhist Contribution to Human Development คุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์ผู้จัดจา ก, การสัมมนาจึงใครจะได้ฟังในเรื่องนี้ในภาคภาษาไทยก่อนก่อนเป็นการปูกพื้นเตรียมความรู้ของเรารับความคิดเห็นจากนักปราชญ์ทั่วโลก ในวันที่ 25-26-27 ซึ่งเริ่มที่หอประชุมนี้เป็นการจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเหตุที่คณะกรรมการจัดงานของสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ICDV เลือกหัวข้อนี้ก็เนื่องมาจาก ความประสงค์ที่จะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถหองพิทในเวทีโลกปารกที่พระองค์ทรงได้รับรางวัล Human Development Lifetime Achievement Award เป็นรางวัลแห่งความสูงสุดของชีวิตพระองค์ท่านในด้านการพัฒนามนุษย์จากองคงการสหประชาชาติเมื่อปี 2,549 โดยเลขาธิการสหประชาชาติในครั้งนั้นคือโคฟิอันต์นได้นำมาถู่กล้ามถวาย โดยนายโคฟีอ่อ น, นันต์ได้กล่าวสรุดีตอนหนึ่งว่าสรุดีในนามสหประชาชาติว่าในหลวงรัชการที่เก้าทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเพราะทรงถือเอาคนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนานั่นคือมนุษย์เป็นตัวตั้งของการพัฒนา หัวใจของการพัฒนาอยู่ที่มนุษย์หรืออยู่ที่คนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การสหประชาชาติที่ประกาศก่อนหน้านั้นว่า Man is the center of development มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เมื่อรัชากาลที่9ส้เสด็จสู่สวรรค์ขาไลก็องค์การสามรยชาติในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ประกาศไว้อะไรและประกาศสุดดีในที่ประชุมผลานของพระองค์ท่านเป็นเรื่องประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ แต่สิ่งที่ควรคำนึงเพิ่มเติมก็คือมิติทางพระพุทธศาสนาที่พระองค์ท่านได้ใช้ธรรมะในการพัฒนามนุษย์เพื่อที่เราจะได้พิจารณาในเรื่องนี้แล้วถอนระัสออกมานำมาวิเคราะห์มาขยาย มาต่อยอดเพื่อสืบทอดงานของพระองค์ท่านที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าศาตรพระราชาไม่ประสงค์จะให้ศารพระราชามันยุติไปพร้อมกับการเสด็จสวรรคตของพระองค์ในเวทีโลกก็มาพูดกันเรื่อง human development การพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นนานตลอดพระชนชีพของพระองค์และมีมิติทางพุทธาสนาอย่างไรในเรื่องนี้ก็ให้นักปราชญ์ทางพุทธาสนาและพระนักผู้นำชาวพุทธทั่วโลกมาเสนอมุมมองในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลักกาย ซึ่งวันนี้เราเตรียมเพื่อการประสาทปริญญามหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตออกมาจำนวนมากเข้ารับปริญญาตรีโทเอกในปีนี้เกือบ5 0า0ันรูปคนผลผลิตที่เป็นบัณฑิตคือตัวอย่างของมนุษย์ที่พัฒนาแล้ว ท่านทั้งหลายได้รับการพัฒนาแล้วแล้วมหาวิทยาลัยต้องการอ่พิเศษแสดงว่าจบแน่แน่อาพิเศษให้เกิดความแขังเกิดความตระหนักในความเป็นบัณฑิตของท่านเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์และไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมดังที่องค์นายกสภาได้เตือนเรา เราจะเป็นบัณฑิตที่มีความตระหนักในความเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตตอนไหนตอนที่สอบสัมภาษณ์วัยว่าจบหรือสอบข้อเขียนเสร็จหรือตอนไหนในความรู้สึกของเราที่มีความภาคภูมิใจ เราเนิกถึงพระพุทธรูปช่างเอาไม้มาแกะสลักเป็นพุทธรูปหรือหล่อโลหะเป็นพระพุทธรูปให้คนกราบไหวถามว่าจะกราบไหวเป็นพุทธรูปตอนไหนช่างก็มา สกัไม้ถากไม้รูปร่างก็เป็นพุทธรูปแล้วและเป็นพุทธรูปตอนถากเสร็จหรื อ, อยางไรและถ้าเกิดพุทธรูปไม้นั้นจาเป็นจะต้องแก้ไขต้องไปถากต้องไปขูดมิเท่ากับไปทำร้ายพระพุทธเจ้าทำร้ายพุทธรูปหรือเขาจึงมีเส้นแบ่ง ว่าก่อนนั้นเนี่ยถากขูดขีดได้แต่หลังจากนั้นไม่แตะเองต้องกลาบไว้มันจะมีจุดแบ่งอยู่ในความเป็นบนัณฑิตของท่านเนี่ยมันจบเมื่อสอบเสร็จก็จริงแต่มันจะมีพิธีกรรมที่เป็นเส้นแบ่ง เช่นเดียวกับเราแบ่งโลหะที่หลอ่อจากความเป็นโลหะเป็นหุ่นปั้นกับความเป็นพุทธรูปในทางพิธีกรรมเขาถือเอาพิธีเบิกเนตเบิกเนตพระพุทธรูปเนี่ยเมื่อประกอบพิธีนี้แล้วนับจากนั้นถือว่า เป็นปูชนีวัตถุให้เรากล่าไวไหวบูชาแม้ท่านทั้งหลายในธรรมนองเดียวกันได้เรียนจบจากห้องเรียนสอบได้แต่มันก็จะมีพิธีคล้ายๆกับอภิสิกหรือเมือกเนตร น, นั่นคือประสาทปริญญาเมื่อท่านขึ้นมาบนเวทีรับ ประธานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระสังฆราชมันเป็นวารักที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวารักที่บอกกับตัวท่านเองว่าท่านเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์และนั่นคือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่ในระดับที่ท่านเรียนจบคําว่าบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้น พระพุทธเจ้าได้ให้คำนิยามไว้ว่าทิฏเถห์ธรรมเมจะโยอัตโถโยจัตโถสัมปรายโกอัถาพิสมัยาทีโรปันดิตติปะวุจจติผู้มีปัญญาเรียกว่าเป็นบนัณฑิต เพราะได้ประโยชน์หรือทำประโยชน์สองประการ 1- ประโยชน์ในปัจจุบันทันตาเห็น 2- ประโยชน์ระยะยาวในภายหน้าซึ่งรวมไปถึงชาติหน้าบัณฑิตคือผู้พร้อมผู้ได้ประโยชน์และพร้อมที่จะให้ประโยชน์ทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง แก่สังคมในปัจจุบันและในอนาคตแปลว่ามีความพร้อมที่จะเป็นผู้ให้แล้วแต่ว่าสาขาของท่านเชี่ยวชาญในเรื่องอันใดท่านก็ให้ประโยชน์ในเรื่องนั้นๆพร้อมที่จะทำประโยชน์ต่อไป เมื่อตระหนักว่าท่านพร้อมที่จะทำประโยชน์ต่อไปเนี่ยถามว่าจะทำอะไรให้สมกับที่เราอุตสาหภาคเรียนเรียนวิชาบ่มเพาะตนเองเหมือนผีเสื้อผีเสื้อมันมีวงจรชีวิตสี่ขั้นตอนหนึ่งมันออกมาเป็นไข่ สองจากไข่เป็นตัวหนอนผีเสือ้อเที่ยวกินไปทั่วหมดตัวอ้วนยาวสามหนอนผีเสื้อนั้นหยุดกินจำศีลแทนชักใยเป็นกระปะฟองไข่เป็นใยเราเรียกว่าตัวดักแด้หนอนมันจะหยุดกิน มันบำเพ็ญเพียรอยู่ในกระปอะฟองใย่ของมันจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งมันเปลี่ยนรูปร่างจากหนอนซึ่งมีขาเยอะแยะเนี่ยเหลือคู่เดียวปากที่เคยเป็นเขี้ยว กัดกินใบไม้มันกลายเป็นหลอดดูดน้ําหวานจากที่เคยเดินผ่านต้มเตี้ยมมีปีกสยายออกมาก็คือเป็นผีเสื้อจากหนอนไปเป็นผีเสื้อเป็นการเปลี่ยนรูปร่างโดยสิ้นเชิง มันชํำแรกกระปอ๋อใยใหม่ออกมาเมื่อมันไม่มีปากมันก็กัดไม่ได้มันก็พยายามกระเสือกกระสนชํำแรกตัวเองให้หลุดมาจาับใยใหม่ในกระบวนการนี้ถ้าเกิดมีใครสงสารไปเอาเอาเอามีดไปกรีด กระป๋อใยใหม่แล้วเอาตัวผีเสื้อน้อยๆออกมาเท่ากับทำอันตรายแก่ผีเสื้อผีเสื้อที่คนไปช่วยออกมาจากกระเป๋ะใยใหม่เนี่ยจะบินไม่ได้จะเป็นผีเสื้อปีกลีบพิการเพราะกระบวนการของการ ดิ้นรนเพื่อออกมาจากกระเปาะใหญ่ในช่องแคบๆเนี่ยมันบีบรัดตัวผีเสื้อทาให้เลือดเนี่ยสูบฉีดไปที่ปีกเลือดมันจะสูบฉีดไปที่ปีกปีกมันจึงจะบินได้แต่ถ้าเราไปช่วยมันเลือดมันจะไม่ไปเลี้ยงปีกมันจะบยบินไปไม่ได้ การบำเพ็ญเพียรจึงเป็นภาระหน้าที่ของผีเสื้อฉันใดการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนบ่มโพมมโพาะวิชาของทางเนี่ยสี่ปีสามปีห้าปีอะไรก็แล้วแต่มันคือกระบวนการที่จะชำรกออกมาจากกระปาอใหญ่ใหม่นั้น และถ้าท่านทำด้วยตัวเองช่วยตัวเองท่านก็จะโบยบินเป็นผีเสื้อไปทั่วโลกแต่ถ้าท่านไม่ได้เขียนเองไม่ได้ทำเองจะเป็นผีเสื้อพิการทำประโยชน์แก่โลกไม่ได้มาก oh. เพราะมีผู้มาช่วยให้ท่านออกมาจากกระปอบใหญ่นั้น ดังนั้นที่พระเจา้าตรัสว่าตมเหหิกิต จ, จังอาตับพังอาตับปังอาขาตาโรตถาคตาเนี่ยท่านทั้งหลายต้องทําำความเพียรพยายามเองพระตาถาคตเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพียงแต่ชี้ทางให้ท่านแต่ท่านต้องเดินตามทางนั่นเองและไปสู่เป้าหมายเองและบัท น, นี้ เมื่อชำแรกตนเองจากกระป่อยใยไหมได้ท่านก็พร้อมที่จะโบยบินไปทุกทิศนุทิศและเป็นวาระแห่งการอภิษเษกให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและจะได้ทำประโยชน์ต่อไปประโยชน์ที่ท่านจะทำนั้นก็คือตัวท่านเองได้รับการพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเมื่อท่านออกไปพัฒนาท่านก็นเน้นการพัฒนามนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามส่งเสริมให้ให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติแต่จับที่มนุษย์ที่คนเราอยากจะพัฒนาสังคมเริ่มที่ไหน บางคนคิดจะพัฒนาโรงเรียนก็ไปสร้างตึกสร้างอาคารต่อให้ตึกให้อาคารใหญ่โตแต่ข้างในกลวงเพราะครูบาอาจารย์ไม่มีคุณภาพผู้เรียนไม่สนใจเรียนอาคารที่ใหญ่โตเป็นภาพลวมตาต่อให้ระบบดีขนาดไหนไปว่าจะระบบการเมืองระบบาศาสนาระบบใดก็ตาม ถ้าเอาคนที่ไม่ดีไม่มีความรู้ความสามารถไปสู่ระบบการเมืองการเมืองก็มีปัญหาเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็มีปัญหาเข้าไปสู่วงการศาสนาวงการศาสนาก็มีปัญหาพัฒนาบุคลากรพัฒนาคนเพื่อส่งเข้าไปสู่ระบบนั่นคือ ยุทธศาสตร์ของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่าการเมืองแบบใดดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิทราชคณาทิปไตหรือแม้กระทั่งประชาธิปไตยถ้าคนไม่ไดีไปสู่ตำแหน่งนั้นๆในระบบระบอบนั้นๆมันก็เกิดความเสียหายได้ เพียงแต่ว่าระบอบใดจะเปิดโอกาสให้ทำความเสียหายกันได้มากเท่านั้นและระบอบใดจะเปิดโอกาสให้ทำประโยชน์ได้มากเท่านั้นแหละแต่สำคัญคือต้องเป็นคนดีและคนเก่งหัวใจของการพัฒนาคือสร้างคนดีคนเก่งเข้าไปสู่สังคมดังที่สมัยหนึ่งเราประกาศ เป็นสโลแกนแผ่นดินรมแผ่นดินทองว่าพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนซึ่งมันสอดคล้องกับหัวข้อก็คือคู่นูประการของศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์ เพราะถ้าเราพัฒนามนุษย์มันต้องเริ่มที่ใจพระพุทธศาสนาเป็นองค์ความรู้ 2,500 อกว่าปีที่สะสมมาในเรื่องของการพัฒนาจิตใจพัฒนาสังคมเมื่อตระหนักตรงนี้เวลาที่เรามาจัดงานโดยเฉพาะมหาจุฬาได้อาสามาจัดงานวิสาขาบูชาโลก เราก็มุ่งเอาคุณหนูประการของพุทธศาสนาที่มีต่อการพัฒนามนุษย์พัฒนาสังคมเนีเ่มาประกาศเผยแผ่ให้ชาวโลกได้ถือปฏิบัติตามในการจัดงานวิสาขาบูชาโลกได้ตั้งองค์กรที่รับผิดชอบเรียกว่า ICDV International Council for the Day of Vesak สภาสากลวันวิสาขาบูชาโลกสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มหาเลเซีนี้ไอซีดีวีร่วมกับการเฉลิมฉลองวิสาขาบูชาโลกทุกปีได้ประกาศถึงคุณูปการของศาสนาที่มีต่อการพัฒนามนุษย์ในมิติต่างๆจนกระทั่ง สหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมสหประชาชาติเมื่อปี2556ทำให้ผู้แทนของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในสภาสากลวิสาขบูชาโลก สามารถเป็นปากเป็นเสียงแทนชาวพุทธทั่วโลกในที่ประชุมของสหรประชาชาติเราสามารถส่งสารส่งอะไรต่างๆไปแสดงมติของชาวพุทธได้เมือ่อมีการประชุมสหรประชาชาติก็สามารถไปร่วมประชุมได้โดยเฉพาะที่อีโคซับ คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมสหรประชาชาติโดยมีบัตรผ่านถาวรเราสามารถเข้าออกได้ทังปีนี่ก็คือสิ่งที่ชาวโลกคาดหวังจากเราทั้งในส่วนของสถาบัน ทั้งในส่วนขององค์กรที่เราขับเคลื่อนคือสภาสากลวันวิสาขบาูชาโลกโดยดัตรหนักถึงภาระหน้าที่4ประกาศ ICDV มีมิชชั่นที่สหประชาชาติมอบหมาย4ประกาศเราเรียกว่าพันธกิจ ซึ่งพันธ ก, กิจนี้มาสอดคล้องกับปรัชญาของมหาจุฬานั่นก็คือ sustainable development การพัฒนาที่ยั่งยืน climate change สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง education การศึกษา peace building การสร้างสันติภาพ ประโยชน์ที่มหาจุลาก็ดีหรือบัณฑิตของเราก็ดีประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกมันรวมอยู่ในคำหลังนี้การพัฒนามนุษย์ก็คือการพัฒนาให้พร้อมที่จะไปทำพันธกิจดังกล่าวมาสี่ประกาศ ซึ่งสภาสากลวิสาขาบูชาโลกในชักชวนชาพูทธธรรมหน้าที่นี้รวมถึงมหาวิชยาไัยแห่งนี้โดยเฉพาะในเรื่อง s ustainable development เป็นคำที่ชาวโลกรวมถึงรัฐบาลไทยต้องตระหนักและแปลสู่การปฏิบัติ การพัฒนาที่ยั่งยืนมหาวิลัยแห่งนี้ก็ดี i อซ v ดีวสภาสากลวิสาขาบูชาโลกก็ดีถ้าจะมีบทบาทระดับโลกต้องมีส่วนร่วมในการสร้างหรือพัฒนาที่ยั่งยืนท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นบัณฑิตจะทาวิจัย ให้เป็นคู่นูระการต่อชาวโลกก็จะต้องอยู่ในกรอบของ Sustainable Sustainable d e v e l o หรือว่าเการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะอะไรถ้าท่านไม่ทำไม่สนใจก็คือตกขบวนรถไฟระดับโลกชาวโลกเขาไปกันทางนี้ท่านมัวแต่อยู่ในท่ ไม่ตระหนักรู้อะไรเลยคำว่า s u s t a i n a b l e development ใหม่ๆเนี่ยสมัยแรกๆที่ประกาศใช้ในปี1987เรามักเข้าใจในความหมายแคบๆว่าการเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม ดังที่เรานักจะพูดกันว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการตอบสนองความต้องการของคนยุคปัจจุบันโดยไม่ไปทำลายมรดกสำหรับคนยุคต่ อ, ต, อต่อไปส่วนมากก็จะนิยามอย่างนี้ก็จะหมายถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมแต่สหรประชาชาติได้ ปรับคำนิยามนี้ตั้งแต่ปีคศออ2000คือ 2,543 เกือบ20ปีมาแล้วและมาเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่ผ่านมาสาธาราชิได้ประกาศสิ่งที่รัฐบาลทั่วโลกองค์กรทั่วโลก พร้อมที่จะทำร่วมกันเรียกย่อๆว่า SDGs SDG ย่อมาจากคำว่า Sustainable Development Goals แปลว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสหา ร, ระชาชาติได้ประกาศเป้าหมายนี้ตั้งแต่ปี2558 และจะทำไปอีกจนถึง 2,573 15ปีตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นของ SDGs มันเป็นพันธสัญญาที่ทุกรัฐบาลต้องทำแมนะ้แม้แต่ประเทศไทยก็กำลังทำและต้องยืนต้องแสดงให้สาิสราติเห็นว่าได้ทำอะไรบ้าง และองค์กรทั่วโลกถ้าจะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับองค์กรโลกคือสหประชาชาติก็ต้องบอกได้ว่าทำอะไรในเรื่องเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9้าได้ทรงทาโดยที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์แต่มันสอดคล้องกับ Sustainable Development การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหรประชาชาติ สถานรป็ชาติเจงถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดแห่งชีวิตเดชพระองค์ท่านในด้านการพัฒนามนุษย์ SDGs มีเป้าหมายไม่ใช่แค่สิ่งแวดลอ้อมคำนิยามหรือคำอธิบายของสไปชาติก็คือมันเป็นการเรียกร้องให้ทั่วโลก และดมสัพพะกำลังมายุติความยากจน To end poverty ปกป้องโลกใบนี้ของเราและประกันว่าคนทุกคนบนพื้นผิบนี้จะได้รับแสงแห่งสันติภาพและความรุ่งเรืองไม่ได้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแล้วใน SDG ี สรุปแล้วมีเป้าหมาย17ประการใครทําเรื่องที่เกี่ยวกับ17เรื่องเนี่ยถือว่าร่วมขบวน SDGs คือร่วมไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน17ประการเนี่ยมันเยอะเกินเราถอดเอาไมาแค่4อย่างก็พอ ตามพันธกิจของสภาสากลวิสาขาบูชาโลกคือ Sustainable Development การพัฒนาที่ยั่งยืนสิ่งแวดล้อมการศึกษาและสุดท้ายสันติภาพมันก็ครอบคลุมทำไมว่าครอบคลุมก็เพราะว่าเมื่อสรุปเป้าหมายของเอ g ทั้ง17ประการมันอยู่ใน3มรรคมิติด้วยกัน เราเรียกว่าไตรส d o เสาหลัก3เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนถ้าเราจับเสาใดเสาหนึ่งก็ลยถือว่าเราร่วมเป้าหมายของ SDG ทําทำทั้ง3มเรื่องพร้อมกันก็อยู่ในเป้าหมายเดียวกัน1คือเป้าหมายของการพัฒนาสังคม 2. การพัฒนาสิ่งแวดลอ้อมอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อม และสามการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องที่ทางสหประชาชาติประกาศเป้าหมายอยู่ในสามกลุ่มนี้เองถ้าเรามาจัด ก, กลุ่มเป้าหมายของภาวนาภาวนาไม่ได้หมายถึงสวมดมนต์ภาวนานะ ภาวนาหมายถึงการพัฒนาอันเป็นกุศลส่วนพัฒนาในภาษาบาลีนั้นอาจจะเป็นกุศลก็ได้อกักุศลก็ได้ดังบาลีว่านะสิยาโลกวัฒโนยาพัฒนาไปจนรกโลกแต่ภาวนานั้นซึ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาความเป็นมนุษย์เย่ เอามนุษย์เป็นตัวตั้งและมนุษย์ก็ต้องพัฒนาในสี่ด้านไปพร้อมกันคือพัฒนาการมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเราเอามนุษย์เป็นตัวตั้งแล้วเมื่อเราพัฒนาด้านกายภาพต้องไม่ละทิ้งด้านสังคมด้านจิตและด้านปัญญาของมนุษย์เพียงแต่ว่าท่านจะเน้นเรื่องอะไร ถ้าท่านพัฒนาด้านกายยภาพก็ต้องพัฒนาจิตใจให้พร้อมที่จะรองรับการพัฒนาทางกายด้วยถ้าพัฒนาจิตใจแต่ท่านทิ้งเรื่องกายท่านก็เป็นอัตตะกิรมาฐานุโยกสุดโต่งไปด้านหนึ่งท่านพัฒนาทางกายอย่างเดียวไม่สนเรื่องจิตใจเรื่องปัญญาท่านก็เป็นกามะสุขานิการโยค สุดโต่งไปอีกด้านหนึ่งการพัฒนาที่เป็นสายกลางมันจะต้องพัฒนาเพื่อที่สมดุลทั้งกายทั้งจิตทั้งนามารูปและเป็นทางสายกลางแห่งการพัฒนาเวลาที่รัชการที่เก้าประกาศเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องพัฒนาการอยู่ดีกินดีทางกายอย่างเดียวพระองค์ยังหมายถึงการพัฒนาจิตใจความพอดีที่ว่าทางสายกลางที่ว่าเนี่ยคือความสุขเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่พอมีพอกินเท่านั้น ตรงอธิบายหมายถึงไม่โลภพอใจตามมียินดีตามได้มีความสุขทางจิตใจนั่นคือการพัฒนาที่สั ม, มุลกายสังคมจิตและก็ปัญญาซึ่งทางพระศาสนาเรียกว่าพัฒนาสี่ด้านกายะภาวนาสีและภาวนาคือสังคมพัฒนาสังคม จิตภาวนาคือการพัฒนาจิตใจมิติด้านวัฒนธรรมปัญญาภาวนาคือพัฒนาด้านจิตด้านการศึกษาด้านศาสนาถ้าประมวลเรื่อง s ustainable development ของสัประชาชาติเอามนุษย์เป็นตัวตั้งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและพัฒนาในเรื่องอะไร สี่ด้านตามมิติทางลูกศรกายภายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาไม่ว่าพัฒนาด้านไหนมันจะต้องเชื่อมกับอีกด้านหนึ่งเสมอเพียงแต่ว่าท่านจะเน้นเรื่องอะไรเท่านั้นงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของท่านมันต้องโยงได้หมดมันจึงจะเป็นวิจัยในมหาวิทยาลัยสงถ้าท่านไปทําเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของกายโดยไม่โยงเข้าหาธรรมะไม่เรื่อไม่มีมิติทางจิตใจมันก็ไม่ใช่มหาวิาลยสงมันก็เป็นวินิโพตอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่มหาจุฬาและถ้าท่านเอาแต่เรื่องจิตภาวนาเรื่องปัญญาภาวนาโดยไม่สนใจเรื่องมิติทางกายภาพทางสังคม มันก็เป็นสุดโตรงอีกอย่างหนึ่งโดยไม่ได้บอกว่าคุณนูประการของการพัฒนานั้นทานจิตใจและปัญญานั้นก่อให้เกิดความดีงามอะไรในสังคมในบุคคลการที่มัททางพุทธาสนาเน้นในเรื่องสีด้านให้สมดุลเราเรียกว่ามัชิมาปฏิปทา ด้านจิตกับด้านปัญญาเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจกายกับศีลเป็นการพัฒนาทางกายภาพทางสังคมพัฒนากายพัฒนาจิตพัฒนามรูปมันจึงเป็นทางสายกล่างการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ตัวการพัฒนาที่สมบูรณ์ต้องเอามิติทั้ง4ี่เข้ามาเป็นตัวจับเชื่อมโยงถึงกันได้ แต่ท่านจะต้องบอกได้ว่าท่านกำลังเน้นเรื่องมิติไหนยกตัวอยา่างเรื่องกายภาวนาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็ได้ยินเรื่องพระพุทธเจ้าโปรดชาวนาสอนชาวนาที่หิวข้าวทรงให้เลี้ยงอาหารก่อนแล้วจึงเทศเมื่อพุทธเจ้าตับมาที่พระอารามพระ ก, ก็ถามว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นพรพุทธเจ้าก็ตอบว่า ชิคัดฉาปรมาโรคขาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเมื่อกายมีความหิวหิวทางกายก็ไม่จิตใจก็ไม่พร้อมที่จะฟังธรรมที่จะปฏิบัติธรรมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสำคัญต่อการพัฒนา ในกลงล้อไปสู่ความเจริญนั้นมีคำว่าปัติรูปรเทสวาสการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมท่านจะปฏิบัติธรรมกรรมฐานสมถะในข้ามกลางเสียงเอ็ดอึงเป็นไปไม่ได้จิตจะไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นสมาธิ ท่านจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นในป่าหรือในห้องเก็บเสียงในเมืองแต่ว่าเก็บเสียงฉะนั้นองค์ประกอบทางกายยาภาพจึงสําคัญต่อการพัฒนามนุษย์เรื่องเศรษฐกิจจึงสําคัญเมื่อพิจรารณาในมิตินี้และเชื่อมกับพันธกิจของ สภาสากลวันวิสาขาบูชาโลกเราก็จะเห็นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นครอบคลุมทุกมิติกายสังคมจิตและปัญญาส่วนสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นกายะภาวนาสีละภาวนาเป็นเรื่องการสร้างสันติภาพ Peace Building จิตภาวนาคือเรื่องการศึกษาปัญญาภาวนาเป็นเรื่องการศึกษาคือใรศึกษาบวกการศึกษาในระบบนอกระบบทั่วไปแม้แต่พันธกิจของไอซีวก็ยังรวมอยู่ในเรื่องของภาวนาทั้งสี่ในเรื่องของกายภาวนา ดูไปที่เป้าหมาย17ประการของสหรประชาชาติพบว่าใน17ข้อเป็นเรื่องพัฒนากาย7ข้อจับไปอย่างไร็วเพื่อให้เกิดไอเดีย ว, ว่าเขาพูดเรื่องอะไรเป้าหมายที่หนึ่งของสหรประชาชาติในเรื่องการมิเตอร์เรเจนยืนคือขจัดความยากจนของคนทั้งโลกข้อที่สอง ขจัดความหิวโหวยแม้อาหารจะมีเยอะมากแต่เด็กแอฟริกา ย, ยังอดตายเราต้องขจัดความหิวโหวยเป้าหมายที่สามคือเรื่องสุขภาพกายสุขภาวะที่ดีการเป็นอยู่ที่ดีอาจจะไปรวมถึงสุขภาพจิตด้วยเป้าหมายที่หกเป็นเรื่อง การจัดการน้ำดื่มที่สะอาดเรื่องสุขานามมยสุขาภิบาลอยู่ใน7ข้อเรื่องกายยาวนาเป้าหมายที่8เป็นเรื่องการทำงานจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายความเป็นมนุษย์อย่าให้มนุษย์เป็นเครื่องจับ ในตลาดแรงงานให้เขามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มนุษย์ไม่ใช่ทรัพยากรและควรจะเลิกใช้คำว่าทรัพยากรมนุษย์พัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป้าหมายที่ก่าวเรื่องอุตสาหากรรมเรื่องนวัตกรรมเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ การจราจรรถไฟฟ้าอะไรต่างถนนหนทางนไทยแลนด์ 4.0 มาเน้นเรื่อง innovation นวัตกรรมเป้าหมายที่10คือลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนมีกับคนจนการกระจายรายได้เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่นี่มิติ ของการพัฒนากายเจข้อนี่พระพุทธศาสนามีส่วนส่งเสริมตรงนี้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเราก็ทราบดีว่าในมิติทางนี้เป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ทั่วไปนั้นเป็นเศรษฐศาสตร์ที่เน้นการพัฒนากายไม่สนใจมิติทางจิตใจมันจึงสุดต่ ดังคำนิยามของเศรษฐศาสตร์หรืออีโคนอ s ที่ว่าเป็นวิชาที่ศึกษาหาวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อสนองความต้องการที่ไม่จำกัด How to use limited resources to satisfy unlimited human wants มนุษย์ไม่เคยมีความต้องการที่เต็มอิ่มเลยโลกทั้งใบต่อให้เราขุดทรัพยากรมาสนองความต้องการของมนุษย์มันก็ไม่เต็มอิ่มนี่คือเศรษฐศาสตร์ที่มุ่งจัดการกับการสนองความต้องการมากกว่าการจัดการกับความโลภความต้องการที่ไม่รู้จบ ดังนั้นมันจึงเป็นการแยกมิติทางจิตใจออกจากจักยานเศรษฐศาสตร์ความต้องการที่ไม่รู้จบพระพุทธศาสนามีสุภาสินวันนัตติตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำยังมีวันเต็มแต่ตัณหาความอยากไม่เคยเต็มอิ่มและเรา พัฒนาเศรษฐศาสตร์เพื่อไปสนองความต้องการที่ไม่เต็มอิ่มมันคืออะไรเพื่ออะไรแล้วทรัพยากรของโลกนี้วันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปเราก็เริ่มทำลายสิ่งแวดล้อมเข้าไปทุกทีในานามของการพัฒนาเศรษฐกิจมหาธรรมะคานทีได้กล่าวไว้นานแล้วว่าโลกนี้ มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่เพียงพอต่อความโลภของมนุษย์ทุกคนทรัพยากรเพียงพอที่จะทำให้คนอิ่มถ้าหิวมีเสื้อผ้ามีอาหารมีที่พักอาศัยมียารนักษาโรคทุกคนบนโลกใบนี้ แต่มันไม่เพียงพอที่จะไปสนองภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากรวยอยากเด่นอยากดังทรัพยากรเพียงพอที่จะผลิตกระเป๋าให้เราถือได้แต่ตังไม่พอที่จะไปซื้อแบรนด์เนมทั้งหลายมันกระตุ้นภาวะตัณหาไม่รู้จบดังนั้น ในสวรรณหังสชาดกเรื่องไข่ทองคำจึงสรุปว่ายินดีสิ่งที่ได้มาโลภเกินไปเลวแท้แท้อติโลโพโหิปาตะโกเศรษฐ า, าเศรษฐกิจที่ส่งเสริมความโลภไม่ดีเลยจึงเกิดพุทธ เศรษฐศาสตร์หรือบุ d d ิ i s t Economics เป็นสิ่งที่เป็นตัวเลือกขึ้นมาเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธคุณอูประการของพุสนาอยู่ตรงในด้านกายภาวนาอยู่ตรงที่บุ d d ิส s t e c o n o m i c ์เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธหลักของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธอยู่ตรงที่2ประเด็น 1. l ึ่งเลสิสโน้อยแต่มาก สอง small butiful จิ๋วแต่แจ๋ว less is m o น้อยแต่มากหมายบอกหมายถึงว่าบริโภคน้อยแต่ได้ความสุขมากถ้าเรามีความพอใจแม้มันจะไม่แพงแม้มันจะไม่เลิศวิศริสล拉สิ่งที่เราสวมใส่สิงที่เรารับประทานมันก็ให้ความสุขได้อย่างมาก less is more น้อยแต่ได้มาก small is beautiful จิ๋วแต่แจ๋วเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ต้องราคาแพงแต่มันให้ความสุขความสะดวกท่านเคยนึกบ้างไหมว่าโทรศัพท์ที่ท่านใช้เนี่ยมันมีฟังก์ชันมันมีลูกเล่นหลากหลาย บางเครื่องราคาแพงแสนแพงเราก็ซื้อซื้อแล้วเอามาใช้แค่โทรเข้าโทรออกเล่นลายนิดหน่อยแค่สองฟังก์ชันนี้ทำไมมันต้องแพงขนาดนั้นซึ่งราคาไม่กี่พันพันสองพันก็หาเอามาใช้ได้ ยังมีโทรศัพท์สําหรับคุณยายเลยนะเพราะว่าไม่ต้องทำอย่างอื่นโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวพันบาทก็ซื้อได้แต่เพราะอะไรก็ตามเราเอาเทคโนโลยีที่มันแพงมหาศาลมาใช้กับกิจการที่มันไม่จะเป็นขนาดนั้นเล็กๆก็ได้ โรงงานอุตสาหการรมที่ใหญ่โตแต่ดีไม่ดีมันทำลายสิ่งแวดล้อมไม่คุ้มกับการลงทุนมหาศาลในเรื่องนี้รัชการที่เก้าได้ทรงนำเอามาสร้างระบบเรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราชโองการของพระองค์ท่านในปี 2,517 2,517 นะเป็นครั้งแรกที่ตลักถึงเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดเห็นไหม small is beautiful จิ๋วแต่แจ๋วแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปซึ่งโดยลำดับต่อไปพระบรมราชวาลในปี217 คำว่าพอมีพอกินพอใช้คือ less is more น้อยแต่ได้ความสุข ม, มากใช้วิธีการอุปกรณ์ที่ประหยัดถูกต้อง small is beautiful จิ๋วแต่แจ๋วเราเรียกว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็สองหลักในเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเ่นง ทรงนำมาเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้ขยายดังพระราชบัญัตในปี241ที่ว่าแต่พอเพียงนี้มีความหมายกว้างยิ่งกว่านี้อีกคือคําว่าพอก็เพียงพอเพียงแค่นี้ก็พอคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนาถึงน้อยลงโลภน้อยเป็นมิติทางจิตใจ ควบคุมตันหาเศรษฐศาสตร์ที่นําเอาจริยธรรมเข้ามากํากับเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์อยู่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังที่บุรีทิชัยพัฒนาได้ขยายความว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทานโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์โดยสรุปในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักธรรมในธรรมสนานอย่างน้อยสามหลักคำว่าพอเพียงคือหนึ่งพอดีมัชชิมาปฏิปทานสมดุล กายสังคมจิตปัญญาต้องพัฒนายอย่างสมดุลเอามนุษย์เป็นตัวตั้งเพราะเพียงหมายถึงพอเหมาะมัตตันยุตาเทคโนโลยีที่เหมาะสมการลงทุนที่ยืนอยู่บนขาของตัวเองและพอใจคือความสุข l i s e is m a l l มัตตันยุตา small is beautiful พอใจก็คือความสุข เลสิสมบริโภคน้อยแต่ได้ความสุขมากเป็นหลักธรรมทางสนาที่อยู่ในปรยาธิที่เราพบอยู่ในปรยาธเศรษฐกิจพอเพียงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางซึ่งความพอใจความสุขนั้นขยายเป็นความสุขของเครืงหันประการหนึ่งสุขจากการมีทรัพย์ สสุขจากการจ่ายทรัพย์บริโภคสสุขจากการไม่เป็นหนี้สินและสสุขจากความสุจริตไม่ขายยาบ้าไม่ทำงานที่มันเป็นพิษเป็นภัยนั่นเป็นความสุขและทำนำสันติสุขมาสู่สังคมปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงในพุทธศาสนาเราก็พบการประยุกต์มาอยู่ในหลักธรรมในปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงเราพบหลักธรรมในพุทธศาสนาอย่างที่กลาา่าว ไม่ใช่เฉพาะในสังคมไทยเท่านั้นประเทศภูตานในยุคไล่ไลกันก็ประกาศโดยกษัตริย์จิกมีสิงเยวังชุกกษัตริย์องค์ก่อนนะเป็นพระราชบิดาของกษัตริย์ปัุมปัจจุบันทรงประกาศว่า cross national happiness is more important than cross national product GNH สำคัญมากกว่า GNP ความสุขบวลรวมของประชาชาติสำคัญกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของของประชาชาติเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่ใช้ GNP วัดความเจริญเติบโตของบ้านเมืองทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเราประกาศว่าปีนี้ GNP โตกี่เปอร์เซ็นต์ 3มเปอร์เซ็นต์สามจดห้าตามมาตรฐานทั่วโลกแต่ผูตานบอกว่าต่อให้จีเบนทีโตขึ้นแต่มันไม่ไดอสะท้อนว่าคนมีความสุขมากขึ้นดีไม่ดียิ่งรวยขึ้นคนยิ่งทุกข์ลงสังคมเละเทะไม่เอาแล้วประกาศว่าใช้ g n h g r o s s national happiness เป็นดัชนีวัด การเจริญหรือการพัฒนาของประเทศโดยประกาศจะตูสดมของ G.N.H. ว่าในการพัฒนาประเทศต้องพัฒนาสี่ด้านคล้ายๆกับนิติ4ี่ของทางพุทธศาสนา 1. g o o d Governance การบริหารอย่างมีธรรมาพิบาลรรัฐบาลและข้าราชการทุกภาคส่วนต้องซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกงไม่คอร์รัปชันเป็นเป้าหมายของ G.N.H. ถ้ายังมีโกงมีคอร์รัปชันคนไม่มีความสุขข้อ2การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องยั่งยืนไม่ใช่เป็นการพัฒนาชั่วครู่ชั่วอยางไฟไม่ฟังข้อ3ส่งเสริมรักษาวัฒนธรรม Preservation and Promotion of Culture คนจะไปภูตานทุกวันนี้ไม่ใช่แบกเป้ ก, ก็ไปได้เขาสกรีนคนที่ตั้งใจไปชมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ให้ไปทำลายวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมปีหนึ่งคนจะเข้าภูตานได้เกินไม่เกินกี่หมื่นคนเขาบอกไห้หมดไม่ต้องการให้ไปทำเลเทะต่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของเขา ต้องมีเงินหลักประกันว่าจะไปเที่ยวเนี่ยมีเงินเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วบริษัททัวร์จะจัดให้หมดข้อสให้ความสำคัญกับสิ่งแวดลอ้อมรัฐธรรมนูญของภูตานบอกว่าป่าไม้ต้องมี 75% เในพื้นที่ของประเทศเมื่อได้พบกับนายกของภูตานตอนไปแสดงปาธกถา เรื่อง GNH กับธรรมะในพุทธศาสนาที่พูตานในปีส5งบได้สนทนากับท่านนายกรัฐมนตรีพูตานที่สีเหลือ ง, องนี่ไม่ใช่จีวรนะเป็นชุดประจำชาติแล้วมีผ้าผ้าอันแสดงสถานะในสังคมเหมือนสังคติพระแต่งชุดประจำชาติถ้าสีเหลืองหมายถึงกษัตริย์กษัตริย์จะพาดสีเหลือง ถ้าสีแดงนี่นายกมนตรีคนอื่นก็สีอื่นๆลงมาท่านนายกตรีบอกว่าป่าไม้ในภูฏานตอนนี้มี 80% 80% เพื่อให้คนมีความสุขคนจะต้องทำงานไม่เกินวันละ8ชั่วโมงเพื่อใช้เวลาพักผ่อนและอยู่กับครอบครัวห้างสรรพสินค้าไม่ใช่เปิด24ชั่วโมง มันกระตุ้นความโลภต้องปิดหนึ่งวันไม่ว่าจะห้างใหญ่ขนาดไหนเพื่อให้คนหยุด ง, งานอยู่กับครอบครัวและให้คนนอนหลับวันละแปดชั่วโมงเป็นเป้าหมายด้วยใน G H ถามว่าหลังจากใช้ไปห้าปีเนี่ยคนหลับกี่ชั่วโมงแปดจุดสองชั่วโมงเกินเป้าทั้งประเทศเลย อินช้าไหมพวกนอนไม่หลับไปอยู่ภูตานสนะิและโปรดสร้างรายละเอียดเหล่านี้ท่านนายกรัฐมนตรีภูตานจะมาแสดงปาฐกถาตรงนี้ในวันที่25พฤษภาคมในวันเปิดงานวิสาขาบูชาโลกจะมาเล่าเรื่อง G.N.H. ของภูตานต่อชาวพุทธทโลก ชาวมอจะรอก็อย่านอนหลับทับสิทมิติที่สองพูดไปเรื่องมิติทางกายแล้วมิติที่สองเป็นศีลภาวนาเป็นมิติทางสังคมสหประชาตชาิสหประชาติได้กำหนดเป้าหมายด้านพัฒนาสังคม ในสิบเจ็ดข้อเนี่ยวิเคราะห์ดูแล้วเนียวิเคราะห์เองนะ ท, ที่ว่าอันแรกมีเจ็ดอันหลังมี4ี่อะไรเนี่ยวิเคราะห์เองหนึ่งเป้าหมายที่ห้าความเท่าเทียมเทียมทางเพศโดยเฉพาะบุรุษกับสตรีซึ่งบางสังคมไม่เท่าเทียมกันเป้าหมายที่สิบเอ็ดเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่า ง, ย, างยั่งยืนคนโยกย้ายในชนบทมาอยู่ในสังคมเมือง แล้วอยู่กันอย่างสลัและสภาพสังคมฟอนเฟ่เนี่ยจะต้องแก้ไขเป้าหมายที่16เรื่องสันติภาพเรื่องความยุติธรรมเรื่องสถาบันที่เข้มแข็งในการทํารงรักษาความยุติธรรมเรื่องสันติภาพข้อสุดท้ายเป้าหมายที่17เนี่ย ให้ทุกฝ่ายทุกองค์กรทุกรัฐบาลในโลกนี้เนี่ยมาร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของสาหารประชาชาติมหาจุฬาก็สามารถประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือได้ไอซดีวก็ทำได้ตัวท่านเองก็ทำได้เพราะสาหารประชาชาติต้อนรับความร่วมมือทุกระดับว่าท่านกำลังทำอะไรไปสู่เป้าหมาย ของสังคมชาติในเรื่องการพัฒนาที่ ย, ยั่งยืนในเรื่องของการพัฒนาสังคมคีย์เวิร์ดอยู่ที่สันติภาพเพราะถ้ามีสันติภาพและความยุติธรรมมันก็ต้องมีเรื่องของการไม่เปลี่ยนแปลนการเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินถ้าท่านดูเรื่องสันติภาพนั้นอยู่ในเป้าหมายที่4ของ ICDV ในเรื่องของสันติภาพพุทธศาสนาได้ประกาศเป็นเป้าหมายสูงสุดคุณูปการต่อสันติภาพของโลกเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่โลกใบนี้ยกย่องพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนยาวนานตลอด 2,500 กว่าปีจึงประกาศให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสาคัญสากลของโลกเพราะได้สร้างอารยธรรมแห่งสันติในโลกใบนี้เป้าหมายของพุทธศาสนาคือ สันตินัตถิสันติปรังสุ ข, ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแม้จะหมายถึงสงบใจแต่มันก็นำไปสู่ความสงบในสังคมเพราะสันติภาพมีสันติภาพที่เป็นมิติแห่งการไม่มีสงครามและความขัดแยง้งรวมถึงมีความสมัครสมานสามคัคคีความยุติทรเราถือว่าสันติภาพมีสองมิติ อัจฉสันติสันติภาพภายใน จ, ใจิตใจภัยหตทาสันติสันติภาพในภายในสังคมในภายนอกซึ่งสองมิตินี้สหประชาชาติโดยเพพาะยูเนสโกได้เอามาประกาศเป็นคำปารกของอธรรมนูญยูเนสโกว่าแปลให้ฟังว่า เนื่องจากสงครามเริ่มต้นที่ใจของมนุษย์ดังนั้นปราการแห่งสรรเสริญจึงต้องสร้างที่ใจของมนุษย์นี่แหละความรุนแรงมันเกิดจากใจเกลียดชังกันอาฆาตพยาบาทกาันฆ่ากันมันมาจากใจถ้าจะสร้างสรรเสริญต้องเริ่มที่ใจมโนปุพังธขามาทำมามโนเศร ษ, ษามโนมญาน่สิ่งทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ ไปใจประเสริฐสิ่สุดสำเร็จในใจผู้สนนาและเราดูที่ใจพัฒนาอะไรก็เริ่มที่ใจเราเองก่อนอยากให้มีสันติภาพในโลกต้องเริ่มที่ใจไกลสิกขาหรือกระบวนการศื่อาในพุทธศาสนามันก็นำไปสู่สันติด้วยประการะนี้ในเรื่องเหล่านี้รัชการที่9ก้าได้ทรง มีพระบรมราโชวาทมากมายที่เกี่ยวกับรู้รักสามัคคีก็นำเอาหลักธรรมทางศาสนามาสอดแทรกปฏิญญายูเนสโกก็พูดถึงขันติธรรมในปี2538ให้ให้คนเนี่ยมีความอดทนต่อความแตกต่างเคารพยอมรับนับถือวัฒนธรรมที่หลากหลาย เราอยู่ในสังคมพระวอวนทธรรมการแสดงออกที่หลากหลายวิถีชีวิตแตกต่างเราจะต้องมีท o l e r ร n c ์มีความเคารพมีการยอมรับอยู่ร่วมกันอย่างสันติต้องมีความอดผ ล, ผลในธรรมนูนของศาสนาที่เราเรียกว่าโอวาทปาติโมที่พระเจา้าแสดงไว้เป็นเหมือนธรรมนูนของศาสนาประโยคแรกคืออะไร ขันตีปรมาณตะโปตีติกขาความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งโอวาทปฏิโมกประโยคแรกคือประโยคนี้เป็นศาสนาที่สอนความอดทนยอมรับความแตกต่างแตกต่างแต่ไม่แตกแยกแม้จะไม่เห็นด้วยเราก็ยอมรับว่าเราไม่เห็นด้วยอะกริอะกริทูดิสกริตกลงว่าเราไม่เห็นพ้องกัน แต่ไม่ทะเลาะไม่ทำร้ายกันในประเด็นขันติธรรมเนี่ยที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในโอวาทปฏติโมกยังมีเรื่องอนุปวาโทอนุปาคาโตไม่ว่าร้ายใครไม่ทำร้ายใครยังมีอีกหลายประเด็น สิ่งที่ i c ซ v ดีวก็ดีมหาจุลาก็ดีนำเอาคำสอนทรรสนามาใช้เพื่อสร้างสันติภาพเนี่ยเรามีกุศโลบายอยู่สองวิธีมหาจุราก็ใช้สองวิธีแลกไอซ v ดีวที่จัดวิสาขาบูชาโลกใช้สองวิธีข้อที่หนึ่งแลกเปลี่ยนเรีย น, ยนรู้ข้อสองสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างการที่เราละเวกัน ไม่คบกันเนี่ยไม่ว่าจะต่างาศาสนาต่างเชื้อชาติต่างประเทศกระทำมันมาจากความระแวงเนื่องจากความไม่รู้ไม่รู้จักกันถ้าเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้รู้าศาสนาของเพื่อนเพื่อนรู้าศาสนาของเราก็จะรู้ว่ า, าศาสนาสอนกันอย่างไรเราจะไม่ระแวงกันสมัยก่อนเราระแวงสังคมนิยมระแวงคอมมิว น, นิสต์ว่าเป็นภัยต่อาศาสนา เดี๋ยวนี้สังคมนิยมก็มีศาสนาทั้งในจีนในเวียดนามโดยพราะผู้ศาสนาพอเราไปเยือนประเทศเหล่านั้นเราก็ไว้วางใจเขาเปิดใจกว้างเพราะเราเรรู้กันและกันการศึกษาคือการเปิดประตูให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมหาจุฬาจึงมีภาควิชาศาสนาเปรียบเทียบหรือเราอยากเร่งเว่าศาสนา เราเรียนรู้ศาสสมัยใหม่เราเรียนรู้หลายๆเรื่องเพื่อทําให้เกิดโลกการทัศน์ที่กว้างที่ยอมรับที่เกิดความเคารพในความแตกต่างในมหาจุราจึงมีทั้งเถรวาทมหายานวัชรยานมาเรียนอยู่ด้วยกันและเคารพซึ่งกันและกันเพราะเราเรียนรู้ว่าท่านสอนอะไรว่ายอย่างไรและเพื่อให้เกิดความรู้มากยิ่งขึ้น มหาจุลาได้ลงทุนลงทุนทั้งในเรื่องงบประมาณทั้งในเรื่องบุคลากรรวบรวมเอาชาวโลกนักกาชาวโลกเนี่ยมาทำงานเรียกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญคือเอาพระไตรปิฎกของสามนิกายเทรวาตมหายานวัชรยานเอามาไว้ในเรื่อเดียวกันในเรื่องที่เป็นแก่นเป็นครั้งแรกในโลกที่ทาสาเร็จ เพราะไม่มีใครที่จะยืนหยัดในสันติภาพมุ่ง ม, มั่นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เท่ากับพวกเราและได้รับความเชื่อถือจึงออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ Common บ u น d h i s ท Text หลายคนอาจจะยังไม่ได้อ่านเราแปลแจกจ่ายไปทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วหนึ่งหมื่นเล่มมีเสียงเรียกร้องว่าอยากจะอ่านเป็นภาษาไทยในภระตรปิฎกฉบักสากลนั้นเป็นอย่างไร มหาจุฬาก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นเมือขึ้นมาหนึ่งชุดทำงานแปลจนแก้ไขปรับปรุงสำนวนอะไรต่างๆจนสำเร็จเรียบร้อยเข้าโลงพิมพ์พ่และพร้อมที่จะแจกจ่ายในวันวิสาขาบูชาเฉพาะคนที่มาประชุมวันที่ยี่สิบ้าลงทะเบียนใหม่ตอนนี้อยู่ในโลงพิมพ์ตั้งชื่อเรื่องว่าพระไตรปิฎกฉบับสากล แปลจากคำว่า common Buddhist text แล้วก็มีคำว่า guidance and insight from the Buddha แปลว่าวิธีทำจากพุทธปัญญาพอพิมพ์เป็นภาษาไทยเอาตัวใหญ่ขึ้นหน่อยหนา 1,100 หน้าท่าพระไตรปิฎกเล่มนี้ 1,140 หน้าในฐานะประธานบรรณาธิการตรวจ ด, ดูทั้งเล่มทั้งสำนวนทั้งคำแปลทั้งทุกอย่าง และทําให้เชื่อมันว่าถ้าท่านอ่านท่านไม่ต้องอ่านทั้งหมดอ่านบทใดบทหึงที่สั้นสนใจแต่ต้องอ่านทั้งสมนี่ไก่เราก็จะรู้ว่าคําสอนมันหลากหลายแต่มันเหมือนต่อกันถ้ามองในมุมเราเนี่ยพระตไตรปิฎกกล่าวเหมือนบาลีในรุ่นเขาเหมือนอัศจรรยดีก่า และบังเอื้ออัตกรถาเขากับอัตกถาเราบังทีมันไม่ตรงกันคือคนตีความคนละอย่างก็เอาเรื่องพระใจปีดกนั่นแหละไปขยายแต่ขยายกับคนละอย่างเราก็จะเข้าใจว่าโอกของเราเป็นอย่างนี้นะอัตกระถาทำอธิบายของเราว่าอย่างนี้แต่ของเขาว่าอย่างนี้ยกตัวอย่างปภศระทธามิทังจิตตังพิฆ เ, เวเนี่ ที่สูงทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนผ่องใสแต่เศร้าหมองเพราะอุปกรณ์ ท, ที่จรมาซึ่งท่นานพูดท่าไปแปลว่าจิตเดิมแท้คําว่าผ่องใสตัวนี้ในอันธกัปถาของเราหมายถึงผวังขจิตที่บริสุทธิ์ตามปกติปกติบริสุทธิ์ทำปีพัฒวันพัฒวันผวังขจิตต่แต่พอมีอุปกรณ์จรมาเป็นมันก็เลยมายึดทําให้จิตเศร้าหมอง ไม่ได้บอกว่าในพระบาลอัจฉริยะตรงนี้ไม่ได้บอกว่าคําว่าผ่องุสัยนั้นคือมีอนุสัยเกเลสมากน้อยอย่างไรตัวบาลีไม่ได้บอกในอัจฉกถาก็ไม่ได้บอกแต่มันไปนอยู่ในที่อื่นว่าพวังขจิตก็ยังมีอนุสัยกิเลสแต่มหายานเมื่อเห็นพวัง เ, เมื่อเห็นคําว่าประพันธสอนตรงนี้ขยายตีความเป็นจิตเดิมแท้เป็นธาตุพุท ธ, ธตถาคตะขันธ อ่านต่อกันแล้วเราจะเห็นในบทเดียวกันมันมีเทรวัตมหายาณวัชรยานแต่เดิมมันสอนคนละเรื่องคนละประเทศคนละที่มาเทียบกันนี่มันไม่เห็นเล่มนี้จะทำให้ท่านเห็นสายพัฒนาการทางความคิดเพื่อความเข้าใจว่าอะไรเราเหมือนอะไรเราต่างเคารพในความแตกต่าง Tolerance ไม่โจมตีกัน แม้แต่ที่เขาบอกว่าเถระวากนี่เป็นมีอุดมคติเป็นอรหันเอาตัวรอดตามลำพังในมหายานเขาก็เป็นโพธิศาแต่เขาก็มีคำสอนว่าถ้าคุณไม่หลุดพ้นและคุณจะช่วยคนอื่นให้หลุดพ้นได้อย่างไรสรุปแล้วในฝ่ายมหายานก็ต้องพัฒนาตนเองถึงจุดหนึ่งพร้อมที่จะช่วยคนอื่นถ้าท่านไม่จบปริญญาแล้วท่านจะไปสอนคนอื่นได้อย่างไรในระดับปริญญา มหายาณก็มีคำสอนแบบนี้ด้วยโอ้มันก็เข้าใจกั น, เ, นเพียงแต่ว่าเราจะเอาความว่าความพร้อมของเราอยู่ในระดับไหนไปอ่านไปศึกษาแล้วก็จะเห็นว่านี่คือการแลกเปลี่ยนเรีย น, ร, ย น, ร, ยนรู้ที่มหาจุฬาใช้เวลาเจ็ดปีในฐานะประธานบรรณาธิการเนี่ยเรียกทุกฝ่ายมาประชุมเพื่อสมานณ์ฉังบันทีวงแตกเนะี่ยไม่อยากจะมาร่วมกันก็ต้องตะล่มกันมา จนกระทั่งสำเร็จปีนี้ฉบับภาษาอังกฤษจะพิมพ์เป็น Second e อ i t i o n คือแก้ไขแล้วพิมพ์ฉบับที่สองตัวใหญ่กว่าเดิมเล่มแรกนี้พิมพ์5้าร้อยหน้าตัวเล็กตอนนี้พิมพ์เจ0ด้อยหน้าจะให้ออกในวิสาขบาูชาแจกสำหรับผู้มาร่วมงานสุดท้ายกายยภาวนาพูดมาแล้วศีลภาวนาพูดแล้วพัฒนาสังคม พัฒนาจิตพัฒนาปัญญารวมยึดเข้าดดวยกันและจะเห็นได้ว่าในการพัฒนาจิตใจและการพัฒนาปัญญานั้นหก ข, ข้อเนี่ยเป็นเรื่องการศึกษาเพียงข้อเดียวคือเป้าหมายที่4ที่พอจะเทียบกับการศึกษาของเราเนี่ยเป็นการศึกษาที่เท่าเทียมที่มีคุณภาพ แต่เป้าหมายที่7 เ, เป็นเรื่องพลังงานมันน่าจะเป็นเศรษฐกิจใจจริงๆแล้วคือสิ่งแวดล้อมเป้าหมายที่12เป็นการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนจะอยู่ในเซนสัตเิงพุทธก็น่าจะอยู่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ะเพราะมันมีอยู่คำว่า responsible ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายทระยะัพยากร ข้อ13นี่ชัดเจนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป้าหมายที่13เป้าหมายที่14ใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอันนี้สามัญชาติที่เมืองไทยแปลกแต่ในในความหมายจริงเนี่ยมันไม่ใช่ทะเลอย่างเดียวในภาษาเปิดมันหมายถึงทรัพยากรในน้ำทั้งหมดในใ น, ในแม่น้าในทะเลรวมหมดเราต้องอนุรักษ์ เป้าหมายที่15 Life Online เนี่ยดูแล้วอาจจะไม่เข้าใจแท้จริงก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนบกไม่ว่าต้นไม้สัตว์อะไรทั้งหมดเลยบกกับน้ำนั่นเองเราก็ต้องอนุรักษ์ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ที่มาจัดเป็นข้อปัญญาข้าะอะไรเดี๋ยวจะชี้แจงให้ต่อไปเรื่อง ก, การศึกษาก่อน S 1> <S 1> การศึกษาที่ทำมนุษย์ให้เป็นสมบูรณ์เนี่ยนะเอามาจากอันทสูตรที่พระเจ้าตรัสไว้ว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยมีสาประเภทหนึ่งคนตาบอดสองคนตาเดียวสคนสองตาในพระสูตร น, นี้อธิบายเรื่องปัญญาของคนหรือความรู้ของคนว่าเหมือนกับโวนตาปัญญาจากสูตร คนตาบอดคือคนที่ไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพทางกายก็เอาไม่รอดกายภาพก็เอาไม่รอดและไม่มีความรู้ในทางธรรมทางจิตใจก็เอาไม่รอดบอดทั้งสองทางคนตาเดียวคือมีความรู้ในทางโลกอย่างเดียวแต่ไม่มีความรู้ในทางธรรมคนสองตามนุษย์ที่สมบูรณ์มีความรู้ทั้งในทางโลกและในทางธรรม ตรงกับพุทธภาษิต ท, ที่อ้างว่าบัณฑิตคือผู้มีปัญญาที่รู้ประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในอนาคตก็คือแท้ที่จริงประโยชน์ปัจจุบันก็คืออุตถานสัมปทานนะคือสัมปทานสีขยันหารักษาดีมีเพื่อนมากมายเพื่อนดีมากมายให้ใจ่ายเหมาะสมแต่หัวใจเศรษฐีที่จะทํานิกฐาทางเศรษฐกิจแล้วก็มี สัมปทานิยตถส4ประการศรัทธาศีลจาติปัญญาเป็นเรื่องของคุณธรรมสรุปแล้วก็คือมีความรู้ในทางโลกและความรู้ในทางธรรมนั่นแหละการศึกษาที่ทําให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีสองตากในเรื่องของในเรื่องนี้มนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยปรัช ญ, ญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกงกรณราชวิทยาลัยสะท้อนให้ชัดเจน จัดการศึกษาพระพุทธศาสนานี่คือความรู้ในทางธรรมบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ความรู้ในทางโลกท่านจะต้องรู้ทั้งสองตาทั้งสองข้างพัฒนาจิตใจและสังคมจบแล้วไม่ใช่เอาแต่ส่วนตัวไปพัฒนาจิตใจส่วนตัวด้วยพัฒนาจิตใจคนอื่วด้วยพัฒนาสังคมด้วยทำประโยชน์ให้สมกับเป็นบัณฑิตเ่ ไอน์สไตน์ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่า science without religion is lame religion without science blind ตาข้างหนึ่งคือวิทยาศาสตร์ที่ปราศจากศาสนายอมพิการรู้แต่ศาสตร์สมัยใหม่ไม่รู้ธรรมะบอดหนึ่งข้างศาสนาที่ไร้วิทยาศาสตร์ก็มืดบอด รู้แต่ทางทางไม่รู้ศาสนานี่ไอสไตล์เพิ่มเข้ามาต้องรู้ศาสตร์สมัยใหม่ด้วยจุดเน้นท่านเรียนหาปัญญาทั้งสองด้านปัญญาในทางโลกปัญญาในทางธรรมเรียนปริญญาตรีท่านเน้นสูตรตางมยักปัญญาปัญญาที่รับอินฟอร์มเมชั่นข้อมูลข่าวสารจากคนอื่นแล้วมาคบมาคิดวิเคราะห์นี่เป็น เพราะฉะนั้นท่านจะต้องจำได้มากมีความรู้กว้างเป็นสุตตะมยมปัญญาในระดับปริญญาโทท่านเริ่มวิเคราะห์ท่านคิดท่านทำยินิพนธ์เน้นในเรื่องของการคิดเป็นแต่พอถึงปริญญาเอกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเอกตททัทธะเพราะท่านลงมือทำลงไปวิจัยในท้องที่ในพื้นที่ หรือแต่งตำลับตำลาของท่านเองเราเรียกว่าภาวนามยะปัญญาเทียบภาวนามยะปัญญา ป, ญปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ตรงลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันจะมีขั้นตอนแต่จะต้องเป็นตาสองข้างในเรื่อง Climate Change ได้ไปร่วมประชุมระดับโลกเรียกว่า COP Conference o ส p a r ารที่ที่โคเปนเฮเกนในปี2009คนมาร่วมประชุม 40,000 คนจากสาธารณชิเขาจัดที่คอลฟิเดี๋ยวนี้เขาก็จัดมาเรื่อยๆได้พูดถึงสิ่งแวดล้อมอะไรต่ออะไรมากมายว่าโลกร้อนเนี่ยมันมันมันเกิดจากอะไรจากคาร์บอนจากปฏิกิริยาเรือนกระจกน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายน้ำทะเลสูงขึ้น สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตกฝนตกในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลไปแลกในหน้าฝนทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงหมดเพราะสิ่งต่างๆมันอิงอาศัยกันและกันถ้าเรามีปัญญาเราจะเข้าใจเรื่องนี้สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของปัญญาด้วยเรื่องกายภาพด้วยแต่ปัญญานั้นเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอิมัสมิสติอิทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มี อีมัศมิงอสติอีทางนะอีทางนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความรู้ครอบจักรวานปัญญารอบรู้เราจึงจะใส่ใจสิ่งแวดล้อมว่าทำไมเมื่อผีเสื้อขยับปีกมันก็สะเทือนไปถึงดวงดาวในทางเศรษฐกิจเมื่อสหรัฐ จามทั่วโลกก็ติกวัดทำไมก็พูดอย่างนั้นเป็นหลักปฏิจจสมุปบาทที่เราเอามาวิเคราะห์ได้หมดสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันโบราณท่านมีปัญญาในเรื่องนี้ท่านยังบอกว่าเสือผีเพราะป่าปกป่ปารบเพราะเสืออยางดินดีเพราะหญ้าบางหญ้าอยางเพราะดินดี ไม่มีอะไรอยู่ได้อย่างเป็นอิสระตั้งแต่อตอมบารบมณูยังจะต้องอียงอาศัยกันเป็นนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนเป็นขวอนตั้งอนุภาคเล็กที่สุดมันเอียงอาศัยกันจนถึงสรรพสิ่งในจักรวาลเมื่อเราพัฒนาใจศกขาศีสมาธิปัญญาเราอย่างรู้อย่างเห็นเราจะเกิดความอ่อนน้อมถ่อมตอนเกิดความกับรู้าต่อสรรพสิ่งไม่เย่อหยิ่งไม่โถมนน ว่าเราก็อยู่ได้ตามรองผังพระพุทธศาสนาเจนสอนให้กัดจันยูต่อสิ่งแวดล้อมและถือว่าการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้บุญตลอดเวลาในวรรณโรปรสูญยกตยัวอย่างพทธเจ้าตรัสว่าชนเหล่าใดสร้างอารามคือสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ปลูกหมู่ไม้ สร้างสะพานชนเหล่าใดให้โรวมน้ำเป็นทานและบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมมีบุญจเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนอยากจะได้บุญไม่จะเป็นจะต้องไปทำอย่างรู้อย่างนี้เท่านั้นปลูกต้นไม้ก็ได้บุญวันวิสาขบูชาโลกเราปลูกต้นไม้กันเนี่ยอ้างวนานโะร ป, ปรสูนี่แหละและปลูกแล้วอย่าไปตัดนะ ตัดแล้วถือว่าอังกตัญยูพรุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ยังมาในชาดกยัสาลุคศาสฉายายะนิสีท่ยยะยยวะเป็นต้นแปลว่าบุคคลนั่งหรือนอนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักรังกิ่งของต้นไม้นั้นใครทำเช่นนั้นชื่อว่าปทุสรายมิตรเป็นคนเลวแท้ๆมิตรตะทุกโภหิ ป, ปาตะโก ถ้าไม่เกิดจาก พ, พุทธปัญญาที่อย่างรู้ปฏิจจสมุปบาทคงไม่เกิดพุทธศาศนาสุภาษิตนี้ฉะนั้นสุดท้ายก็คือาศาสตร์พระราชาครอบคลุมในมิติที่ได้พูดมาไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงมรดกคำสอนของพระองค์ที่มาจากหลายแหล่งอาจจะเรียกว่าพัฒนศาสตร์พระองค์เป็นเดบวร เดเวล OPMENT ทิ้งเป็นกษัตรย์นำพัฒ น, นาศาสตรพระราชาคือพัฒ น, นาศาสตร์ศาสตร์แห่งการพัฒ น, นาที่เน้นการพัฒ น, นามนุษย์ให้ช่วยตัวเองพัฒ น, นาคนให้ช่วยตัวเองเขาเรียกว่า Empowerment เราสอนลูกศิษย์ให้ช่วยตัวเองเหมือนสอนปล่อยให้ดักแด้มันจำแลกออกจากกระปาะใยไหมซึ่งสอนคล้องกับพุทธพจน์นี้ ตุมเหฮ์เหกิจจังอาจับปังอาขาตาโรตฐาคขะตาท่านทั้งหลายต้องลงมือทำเองพระตถาคตเจ้าเป็นเ่เพียงผู้ชี้ทางครูบาอาจารย์เพียงแต่แนะนำทางท่านท่านต้องเดินเองต้องออกจากกระเปาะใ่ไหม่เองเป็นผีเสื้อบอยบินไปนเองในการไปพัฒนาสังคมท่านถือภาษิตจีนซึ่งคล้ายกับที่พระเจ้าตรัสก็คือถ้าท่านให้ปลาแก่คนจนเขาจะมีปลากินเพียงวันเดียว แต่ถ้าสอนวิธีจับปลาให้เขาเขาจะมีปลากินตลอดชีวิตการที่เราไปอุ้มลูกศิษย์ของเราจนเกินไปจนกระเทาเขาหาความรู้เองไม่เป็นวิจัยเองไม่เป็นน่ยให้ปลากินเพียงวันเดียวเรียนแล้วจบแล้วลืมแล้วจะเป็นบัณฑิตที่ดีได้อย่างไรสุจิปุริวินิมุตโตกะถังสโสปณิโตภวไม่มีสุจิปุริฟังคิดอ่านเขียนจะเป็นบัณฑิตได้อย่างไร การพัฒนาที่ในหลวงได้ทำและาการที่ก้าวได้ทำนั้นสรุปแล้วมีสขั้นตอนที่ขาดก็เติมให้เต็มที่เต็มสอนให้รู้จักพอที่พอสอนให้รู้จักแบ่งที่แบ่งสอนให้แบ่งอย่างเป็นธรรมเป็นมรดกที่พระองค์ฝากพวกเราไว้ ที่ขาดเติมให้เต็มอย่างไรช่วยแก้ปัญหาประชาชนโง่จนเจ็บปเนเป็นหลักโครงการในพระราชดบริของในหลวง 4,447 โครงการจนถึงปี5 2,156 นถ้าท่านดูแล้วจะมีอยู่ 3-4 เรื่องท่านงพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรอาชีพนี่เป็นเรื่องของ ความยากจบสิ่งแวดล้อม เ, เรื่องสาธารณสุขความจบการสื่อสารการศึกษาเหเนี้ยเป็นเรื่องของแก้ความโง่สรุปแล้วก็คือพัฒนาการจิตสังคมปัญญาเรื่องการศึกษาบูรณาการาโครงการพัฒนาแบบบูรณาการเนี่ย240โครงการแต่เรื่องแหล่งน้ำเนี่ยาพันโครงการ รวมทั้งหมดเนี่ยเป็นงานในเรื่องของการสู้กับความโง่ความจนความเจ็บขาดทรงเติมให้เต็มไม่ว่าจะเป็นฝนหลวงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตา่างพระองค์ได้สอนศาสต ร, ร์พระราชาโดยสอนให้รู้ทำให้ดูและก็อยู่ให้เห็นนั่นคือแม้กระทั่งว่าทาไมจะต้องช่วยตัวเองเรื่องมหาชนกเนี่ยทำไมพระองค์จะต้อง ใช้เวลาเกือบยี่สิบปีพระราชนิพนธ์ออกมาเพื่อสอนให้คนไทยรู้จักสู้สิ่งยากมีใช้ความเพียรที่บริสุทธิ์ช่วยตัวเองเหมือนมหาชนะุที่เต็มให้รู้จักพอนั่นคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคุมความโลภให้มีความพอดีพอเหมาะและพอใจอันนี้ได้พูดเยอะแล้ว ที่พอให้รู้จักแบ่งการพระบรมราชวา่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรษาท่านจะรู้ว่าพระองค์ทำโครงการ4ี่พันกว่าโครงการนี้ไม่ได้ทตามละพังนะมันจะมีตัวช่วยคือผู้รู้จักแบ่งปันมาสนับสนุนโครงการของพระองค์นี่คือพระบรมราชวา่าากระแสพระราชบัญัตว่าการแก้ปัญหาต่างๆได้คิดเองส่วนหนึ่ง แต่ว่ามีอีกส่วนที่เป็นส่วนใหญ่ที่คนอื่นได้ช่วยคิดพระองค์ให้เครดิตแก่คนอื่นแก่ประสงฆ์นี่ก่อนคนอื่นได้ช่วยปฏิบัติซึ่งจะว่าไปเราคิดส0ซในสี่พันกว่าโครงการเราคิด10ซคนอื่นคิด 90% ก็หมายความว่าโครงการพระราชดำรินี้ทําส่วนหนึ่งคือมีดํำริแล้วคนอื่นก็ไปทํา เรื่องเหล่านี้เราจะต้องมาพูดขยายไปเพื่ออะไรท่านเพื่อให้เกิดจิตอาสาในหลวงราชการที่9้าทำให้คนเนี่ยมีจิตอาสาช่วยพระองค์ทาต่างๆมากมายมหาศาลแต่เราทำแบบปิดทองหลังพระไม่ประกาศ ร, รัชการที่สิบทรงกระตุ้นให้ปอกมาทำมากขึ้นในเรื่องพอให้รู้จักแบ่งด้วยจิตอาสา จิตอาสาคืออะไรความคือความสมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นใดแม้แต่ปิดท้องหลักพระเราก็ทำอย่างที่เราทำเป็นส่วนใหญ่ในสมัยรัชการที่เก้าในสมัยรักชาการที่สิบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอก็ท่งให้ทำแบบเดียวกันนั่นคือ ออกมาเป็นจิตอาสาจิตอาสาเป็นอาสาสมัครเนี่ยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ใครทำจิตอาสาหนึ่งเสนอตัวเข้าร่วมทำกิจกรรมต้องเสนอนะอย่างวิสาขาบูชาโลกเนี่ยเราต้องการคนเสนอตัวมาช่วยกันทำไม่ต้องบันเกิ์มาอะไรต่างหรือโครงการอบรมเยาวชนผ้ารูร้อนโครงการอะไรก็ตามเนี่ยท่านอาสาเลย เขาเรียกทังจะเรียกจิตอาสาท่าต้องเสนอเพราะอะไรถ้าไม่เสนอเขาเรียกว่าสั่งมหาวิทยาลัยมีคำสั่งท่านจึงทําท่านจึงมาอย่างนี้มาด้วยคําสั่งไม่เรียกจิตอาสาถ้าต้องเต็มใจงานทุกอย่างในมหาวิทยาลัยนี้เป็นจิตอาสาหมดที่ท่านอยู่มาเรียนมาจนจบเนี่ยเราสร้างสังคมจิตอาสาสอง สิ่งที่เราอาส า, าทํานั้นเป็นประโยชน์สุขแห่งประชาชนและสังคมไม่ใช่เพื่อเราคนเดียวมันมีอัตถะประโยชน์ตนประทับประโยชน์ท่านอุปยาถาประโยชน์ส่วนรวมเราทำประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนร่วมโดยไม่หวังผลตอบแทนเรียกว่าจิตอาสาข้อ 3. ทําด้วยความสมัครใจเต็มใจไม่ต้องบังคับและข้อสไม่หวังผลตอบแทนใดๆให้ผลตอบแทนมันมาเอง เพราะฉะนั้นประชาชนจิตอาษาที่รัชการที่สิได้ทรงสนับสนุกก็ต่อมาจากพอให้รู้จักแบ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของจิตอาสาเป็นเรื่องของสังคตุนะมีธรรมะเกี่ยวข้องแบ่งต้องให้เป็นถ่อเมื่อท่านมั่งมีรู้จักแบ่งก็อย่าไปเลือกที่รักมักที่ชังกระจายความเจริญมั่งทั้งทุกภาคส่วน โดยถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันเมื่อรัชการที่ก้าวออกไปสู้กับคอมมิวนิสต์ไปพัฒนาทั่วประเทศนิตยสารไทยได้ถามว่าพระองค์ทำเพื่ออะไรพัฒนาอย่างนี้คิดว่าจะเอาชนะเหรอือพระองค์ก็ย้อนถามว่าเอาชนะใครเอาชนะคอมมิวนิสต์ผู้สื่อข่าวบอกเอาชนะคอมมิวนิสต์ รัชการที่กล้าตอบว่าชนะใครไม่ได้คิดว่าตอบว่าไม่ได้คิดว่าจะเอาชนะใครนะที่มาพัฒนานี้ก็เพื่อต้องการเอาชนะความหิวโหวยของประชาชน winning against hunger of people ถ้าเอาชนะความหิวโหวยของประชาชนได้ประเทศก็พัฒนาขึ้นและเมื่อประเทศพัฒนาขึ้นกลุ่มบุคคลที่ก่เรื่อคอมมิวนิสต์ก็น่าจะพอใจ ทรงรวมพระศกนิกอนทุกหมู่เราทั้งคอมมิวนิสต์ทั้งคนที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์เข้าเดยกัรประเทศไทยจึงมาถึงจุดนี้ได้เป็นธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงทานั้นที่เป็นพระราชำดำรัสเรื่องความสามัคคีทั้งหลายอย่างเช่นในวันที่๙มิถุนายนที่สอนให้คนคิดพูดทำด้วยเมตตาเกื้อกูลกันและกัน ปฏิบัติตามกฎหมายเท่าเทียมกันปรับความคิดให้เห็นให้มีเหตุผลถ้าวิเคราะห์ไปแล้วก็คือมาจากสาราณียธรรมปรกติคิดพูดทําด้วยเมตตาก็คือเมตตากายกรรมเมตตาวาจีกรรมเมตตามโนกกรรมเพื่อกูลกันและการเป็นสาธารณโภูมิคีปฏิบัติตามกฎหมายเท่าเทียมกันเป็นศีรสามัญญาตาปรับความคิดให้มีเหตุผลเป็นทิฏฐิสามัญญาตา ท่านจะเห็นได้ว่าสิ่งที่โปร่งสงสารก็เอามาจากหลายเรื่องมีฐานจากธรรมะในพุทธศาสนาสิ่งที่โปร่งทํำได้เป็นคุณูปรการยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนาสังคมไทยผ่านพระองค์ท่านธรรมะในพุทธศาสนาก็ได้มีบทบาทมีชีวิตชีวาช่วยพัฒนาประเทศชาติและสังคมของเราจึงควรที่เราจะสืบสารพระราชนิทานต่อไปประนิทานต่อไปไม่ให้จบเพราะว่ามันมีธรรมะอยู่ในนั้น เมื่อเราสื่อสารตรงนั้นเท่ากับสื่อสารไม่ใช่จะเพียงสื่อสารพระราชบริการของราชการที่เกา้าแต่ยังเป็นการทำให้ธรรมะนั้นมีชีวิตชีวาต่อไปผ่านพระบรมราชโวงารผ่านงานของพระองค์และในช่วงชีวิตของพระองค์นั้นได้ทรงทาให้พระพุทธศาสนามีคู่นูปการอันยิ่งใหญ่ต่อสังคมโลก